บุกทูสามสิบสองที่ร้านอาหารสี่อุรัสตาร์ยชาติรขอมันฝรั่งทอดกับซอสมะเขือเทศหนึ่งที่ และมายองเนสสองที่อิ в е เ о ียนพูดซีมายอเนและใส้กรอกกับมัสตาร์ดสามที่อ т ต и п о р ц ดซีส а ม้ н น й к ลบา а с ы ก г บ р ч и ซ е ่คุณมีผักอะไรบ้างครับคุณมีถั่วไหมครับ คุณมีดอกกระหล่ำไห ม, มครับ Вас ผมชอบทานขา้าวโพดหวา น, มนววผมชอบทานแตงกวามกววกผมชอบทานมะเขือเทศ คุณชอบทานต้นหอมด้วยใช่ไหมครับคุณชอบทานกระหล่ำปีดองด้วยใช่ไหมครับ ค, คุณชอบทานถั่วลินเส้นด้วยใช่ไหมครับคุณชอบทานแครอท ด, ด้วยใช่ไหมครับ มวคคุณชอบทานบลอกเกอรี่ด้วยใช่ไหมครับทเบตักซามาโบรคคุณชอบทานพลิกหวานด้วยใช่ไหมครับทเบักปรปริกผมไม่ชอบหัวหอมใหญ่ผมไม่ชอบมะกอก Я НЕ ЛЮБЛЮ ОЛІВЫ ผมไม่ชอบเห็ด Я НЕ ЛЮБЛЮ ГРИБЫ